ลังท้องอีกก็อย่างได้ความมั่นใจในการปฏิบัติธรรมว่ามันทำได้ทุกชีวิตไม่ยกเว้นใครแต่วิธีที่ทำก็ทำได้ทุกชีวิตไม่ยกเว้นผู้ใด เพื่อนเราทำกรรมฐานตัวแปรของการเคลื่อนไหวตามสติปัฏฐานเอาทางเคลื่อนไหวของกายทำได้ทุกคนมือก็มีทุกคนมือซ้ายมือขวามีเหมือนกันเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวเหมือนกันก็ แ, แต่มีสติ ให้ลูกที่มือเคลื่อนไหวนี่ก็ทำได้ทุกคนเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็มั่นใจที่จะเกิดการปฏิบัติขึ้นมาละความชั่วทำความดีความชั่วม้เห็นความดีไม่เห็น <c oughs> สัมผัสได้ทั้งสองอย่าง มีจติรู้สึกกับการเคลื่อนไหวจนที่ตั้งจิตนาลงไปมีครามเพียนลงไปมีสติลงไปรูปไปเรื่อยๆการรูปไปเรื่อยๆแบบต่อเนื่องก็เรียกว่าสมาธิ แต่ใจที่จะลู่อยู่เสมอแต่หลอที่มันไม่ใช่ความลู่อะไรเกิดขึ้นมาก็มีปัญญาเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช่จิเป็นสติมีคือขวมเพียน <c oughs> มีศรัทธาเป็นทุนมาทำวัดก็มาด้วยศรัทธา สวดมนต์ไหว้พระก็สวดด้วยศรัทธาจิจใจใสาตามใจชีวิตที่เป็นนักปวดออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่วัดก็เรียกว่าศรัทธาพามาเมื่อมีศรัทธาพามาก็เกิดความเพียรขึ้น มีการกระทาเกิดขึ้นตามธรรมปฏิบัติตามธรรมตามวิไหยเกิดขึ้นมีงานที่ให้ทำเกิดขึ้นมางานที่ทำกระทาได้มีให้เห็นมีให้ทําอยู่มีให้สัมผัสอยู่นี่จึงมั่นใจมันจะไปไหน ส ต, ติก็รู้อยู่นี่อะไรเกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่สติก็เห็นอยู่นี่เปี่ยน่าเป็นความรู้ได้อยู่นี่ได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ไปเรื่อยๆไปเนี่ยก็เป็นการงานชอบขึ้นมาไม่เคยดูเลยเรื่องกา่าตั้งโจที่เกิดความหลงขึ้นที่กาที่ใจวันนี้ได้มาเห็น ในหมือทำเรื่องกาวเรื่องใจสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่เหมือนเกิดความหลงขึ้นมาจากกายจากใจก็เปลี่ยนให้เป็นความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไปอย่างนี้ความรู้สึกตัวเมื่อมีมากขึ้นก็มีความเฉื่อยแข็งมีพลังมากขึ้นตต ว, วันโตคืนขึ้นมาออกงามขึ้นมาจเจริญขึ้นมา สึงที่ยาก็ให้ก็กลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นมาได้แ่้วมันชำนิชำนานก็เกิดเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ไม่ว่าจะเป็นฝึกหัดตลาดเป็นวัตถุแพรนอกอะไรก็ตาม น, นี้มันเกิดจากกายจากใจเองมีอยู่กายก็มีอยู่ใจก็มีอยู่ มีอยู่จริงกายก็มีอยู่จริงอาการที่เกิดเกิดไปเกิดมาจริงหลายหลายหลายเรื่องอาการที่เกิดกั บ, ก จ, กกกบจิตใจก็เกิดมาให้เห็นจริงหลายหลายอย่างมีสติเวหยนได้ทุกรูปแบบมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวได้ทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมา เหมืนบอกความเทศจความจริงความเทศจความจริงเกิดขึ้นที่กาที่ใจการเปความขย้อนเปลี่ยนไล่เป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกอย่าเริกมันเคยเปลี่ยนหลกปล่อยไว้เห็นดันละ่ะความหลงก็ปล่อยไว้หลงเรื่องเก่าหลงแล้วหลงอีกทุกเรื่องเก่าทุกแล้วทุกอีก โกรธเรื่องเกโกรธเรื่โกรธอี ก, กวนันนี้มาเห็นในรูปมีงานทําแล้วมันไม่สามารถทิ้ปล่อยทิ้งไว้มันขยันตรงนี้มัาเป็ความถูกต้องของการช่วยการแก้ความผิดให้เป็นความถูกต้อ ง, งมันเป็นงานโชอบก็ตือรือนล้นขึ้นมาเป็นกอบเป็นกรมขึ้นมา สิงที่สร้างมันก็การขึ้นมาเหมือนเราปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้ไม่ใช่ได้ต้นไม้อย่างเดียวมันอื่นเกิดขึ้นแรกสางเยอะแยะหญ้าคาป่าพงอะไรต่างๆเกิดขึ้นมามันก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อเราปลูกเราก็รับผิดชอบมันต้องดูแล ช่วยต้นไม้ที่เป็นต้นกล้าช่วยแล้วช่วยอีกเห็นอยู่เนี่ยมันจะมันก็ไม่ปล่อยทิ้งคนมีงานทําก็ต้องทํางานถ้ามันได้งานเกิดขึ้นมาเราก็เห็นอยู่อะไรที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่เราปลูกแล้วก็ถอนออกดอยวให้มีมาแฉง การถอนสิ่งที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่เราปลูกไม่มีสิ่งที่แชกแสงต้นไม้ที่ปลู ก, กมันงอกงามขึ้นมันก็เห็นอยู่มีผลมีประโยชน์เกิดขึ้นมาไหม่ๆอาจจะช่วยเหลือบ้างแดีมันโตถึงที่จุดล่มมันก็ มันก็ไม่มีแล้วป่าพงยญ้าคาก็ไม่มีแล้วขึ้นป่ายางที่หลานทมป่าย้าคาป่าพงอาจารย์สุสีเป็นผู้ถ่ายจ้างหัวถยให้ปลูกต้นไม้ลงไปไม่เห็นต้นไม้เลยมีแต่ป่ายญ้าคาขึ้นท่วมอีกแต่เราก็มีความเพียรไม่ท้อถอย รอหญ้าออกผลที่ฉุดก็ต้นไม้ที่ปลูกงอกงามขึ้นเมื่อต้นไม้ปลูกก็งงามขึ้นมีพลังมากขึ้นป่าคายากยากคาป่าพร้อมก็หมดไปไม่มีสักเช่นเดียวเพราะมันต้นมากังงามขึ้นมาเป็นการโค้งงมกันไปเองจันดก็ดี การฝึกตนสอนตนมีจติมีความหลงหลงที่ใดลูกที่นั่นต่อไปต่อไปแล้วก็หมดได้ความหลงความลู่ของงามขึ้นมาเกิดทุกข์ก็หมดไปความไม่ทุกข์งามขึ้นมาเกิดโกรธก็หมดไปความไม่โกรธนอกงามขึ้นมาเป็นสิงตรงกันข้ามไปเลย มันตรงกันข้ามไปเลยเมื่อสิ่งที่เรามีสติปู้งามขึ้นมากขึ้นความรู้สึกตัวมากขึ้นไปในกายไปในใจไปในเวทนาไปในธรรมมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็หมดไปหมดไป เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาสู่ธรรมชาติสู่ธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่ของธรรมชาติเป็นเช่นนั้นไม่ได้ไปทำให้มันหมดแต่เรามากระทำเรื่องนี้ไม่ใช่ไปคิดให้มันหมดเมื่อไรไมันจะหมดเมื่อไรมันจะหมดไม่ใช่ไปคิดแบบนั้นกรรมเรื่องกระทำมุงังฝ่ายว่ายแต่เรามีสติก็หย่อนรู้ ขยันรู้ดีว่าภาวนาทำได้ทุกชีวิตประกอบให้ทุกโอกาสขยันยู่ขยันรู้ไม่เหมือนกับถอนยาครับทางปง่าพงเงื่อไม่ออกมีสดทอมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปรรัญญานั่งอยู่เฉยๆมีพลังตั้งห้าอย่าง พลังห้าอย่างนี้ปราบปราบอากุศลกุศลต้องมาถ้าปราบอากุศลกุศลก็อกกกอ ง, งอกงามขึ้นมาเป็นคนละด้านงั่อนสงสว่างปราบความมืดการปฏิบัติธรรมเป็นเช่นนั้นเมื่อเหมือนอยู่ในความสว่างมาบ้าง นานเอาเป็นวิปัสสนาขึ้นมาเห็นแย้งสิ่งนี่เกิดกับาการกับใจที่มันมาลูกใดแบบไดเห็นปุ่นบางอย่างไม่ได้ไปทำมันเลยบางสิ่งไม่ต้องไปทำมันเลยยังแต่มันยังแต่ตัวลูกไปเกี่ยวข้องลูกแล้วหน้าที่ของความลูกไม่ได้สร้าง ความรู oons, ้ไปทำหน้าท yes, ี out, ่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วความสุขความทุกข์ก็รู้แล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วก็ไม่เที่ยงก็ไม่ไปหามันก็รู้แล้วความมันทุกข์ก็รู้แล้วความไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วผิดถูกรู้แล้วบินทาสนเฉินรู้แล้ว ถงัวนันไม่ได้ไปทำมันหอกมันหมดไปเองโดยปริยายแต่ก่อน่าเป็นทุกข์แม้แต่ความคิดมาเป็นทุกข์พอผุดขาดไปมันก็ไม่มีความคิดที่เป็นทุกข์ไม่มีเด็ดขาดแม้แต่ความคิดที่เป็นการสร้างสารรค์โดยไม่ปล่อยไม่ปล่อยทิ้งความคิดนี่จะทําอย่างไรคนจะลู่ธรรมะจะทําไงคนจะเกิด สันติสุขสันติภาพจะทำไงจะเกิดความเั็นธรรมแก่ผู้คนจะทำอย่างไรจรึงจะเกิดความเันธรรมต่อทุกสภาวะสิ่งทะยันอย่างนี้วันเกิดงานขึ้นมาเป็นงานชอบมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้นอนไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวคิดเพื่อผู้อื่นคิดช่วยผู้อื่นเมตตากุณาสงสอรเกิดขึ้นมาเมื่อสงสอรก็ต้องช่วยเหลือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยอมช่วยเหลือเกิดขึ้นมาไม่ทอดไม่ทิ้งจะเป็นการงานชอบขึ้นมามากมายลพราะมันจะวางทิ้งมาได้จะปล่อยกันทิ้งมาได้แล้วปล่อยทิ้งกันหัวแตกเก็บปวด เป็นความผิดของเราเองที่ไม่ช่วยเหลือเขาที่ไม่บอกที่ไม่มีการกระทําเกิดขึ้นไม่ใช่ไปโทษคนอื่นเมื่อเขามีอะไรเกิดขึ้นจากคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์เป็นโทษโจคนอื่น เรปล่อยที่งมาเห็นอยู่ก็ไม่ช่วยอันนั้นนะเป็นความผิดร้อยแรงสําหรับทำที่มีอยู่กับคนคนมันต้องช่วยกันอนุษย์มันต้องช่วยกันปล่อยกันที่ยงมาได้คนที่หลงเราก็เห็นนะบ่เนี่ยคนที่ทุกข์เราก็เห็นปล่อยคนที่หลงให้หลงอยู่ไม่ได้ปล่อยคนที่ทุกข์ให้ทุกข์ไม่ได้ ปล่อยคนในล่องให้เฉยใจอยู่มานได้ผลงานขึ้นมานั่นจึงเป็นวิงงานอันนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าขอบคุณที่มีผู้มาฝึกหัดมาจากกไกลๆแบบ ความขอบคุณลึกๆคือมีหวังว่ามนุษย์นี้จะต้องช่วยกันเป็นคนดีให้มากขึ้นมากขึ้นคนที่เกิดความดีเขาหมาเขาหมาฝึกเราก็มีโอกาสที่จะบอกการสอนกันดูแลกันไม่มีความเป็นธรรม ช่วยเหลือกันบางคนก็ไม่ได้มาฝึกเขาก็ช่วยหาลูปแบบต้องมาฝึกหัดด้วยเป็นเพื่อนไปม่ด้วยทังช่วยอีกก็มีมากมายนี่คือมานุษย์งานมานุษย์ที่ไหนที่มาช่วยกันให้มนุษย์นี่มีคนณอาภาพขึ้นมาเกิดสันติสุขขึ้นมามันก็ทำได้อย่างนี้เออ มันก็เหมือนกันหมดสิ่งที่เราหลงเกิดกับคนอื่นหลงสิ่งที่คนอื่นหลงเราไม่หลงทำไแล้วจะไม่รู้จสิ่งที่คนอื่นทุกเราไม่ทุกสิ่งที่คนอื่นโกรธเราไม่โกรธสิ่งที่คนอื่นยุ่งยากเราไม่ยุ่งยากสิ่งที่คนอื่นเขาทำงานอยู่เขาทำอยู่เราโอที่กแล้ว เราโอทิ้งแล้วเขายังถามอยู่ก็ทำไมจะไม่รู้เพราะภาษาคนมันรู้จักกันเรื่องคนอะไรเกิดขึ้นตรงไหนรู้กันหมดบอมันเดียวกันแม้แต่พวกภาษานุเขาคงจะรู้จักภาษามดก็คงจะรู้จักเรานั่งอยู่กับพื้นดินนานๆ เป็นมดปันไต ม, มันมาเจออาหารหมดตัวเล็กอาหารมันตัวใหญ่มันไม่สามารถเจียวได้ก็วิ่งกบไปอีกไม่นานมันก็พวนมาเป็นผุงมามาหาอาหารนั่นไปอย่างนี้เขาก็มีภาษากันภาษามดภาษานกภาษาสัตว์ทุกประเภท รู้จักกันนกมันจะบินไป้านไหนบางทีนกเป็นคู่ผัวเมียกันตัวเมียวางไข่หลวงพ่ออยู่กับนกกขงเขยนอยู่ที่เต้น40วันเนี่ยทำลังให้มันมันมาไขออกไขเวลามาไขก็มาทำลังช่วยกัน ตัวเมียวางไข่ตัวเมียก็ก็ไขตัวผู้ก็มาโล่งแข้งอยู่อมน้อมแถวนั่นไม่ปล่อยกันหนีเอาลูกมันออกมาผัวตัวผู้ตัวเมียไช่วยกันเลี้ยงลูกหัวลูกมันโตเอากันไปด้วยกันเอาไปให้ผ่อนไยให้ดีขึ้นดีขึ้นแต่ก่อนแมวอยู่ในรัง แล้วก็บินขึ้นไปเกาะต้นไมาเตี้ยๆมันก็ค่อยเลี่ยงกันไปจนบินไปได้ไกลก็ปล่อกันเลยเอาตัวลอดได้ภาษาคนนี่มันประเสริฐกว่านั้นมันสร้างมากสร้างผลได้มีรูปมีแบบมีการที่เลือกได้ชีวิตนี่มันเลือกได้ในการในใจนี่เรามันเลือกได้ เือก็อาิ่งดีๆสิงที่ถูกต้องสิ่ที่ชอบทํามันเลือกได้ได้ว่าบุญว่าชนามันเลือกได้แข่งกันได้ว่าชนาเนี่ยมันเขียนเอามันแต่งเอานัวมันมีใจมันมีวาจาไ ม, มีแต่งเอาวาจานี่ก็จะพูดแต่ความจริง กายก็จะทำแต่ความดีใจก็จะคิดแต่เรื่องดีทำไมจะทำไม่ ไ, มได้บุญว่าสนามาเกิดอยู่ที่กายที่หัวใจาที่ใจของคนนี่อยากมีบุญก็ต้องใจดีลว้วกลัวบาปก็ให้ความโกรธเกิดขึ้นที่จิตใจทำไมจะทำไม่ได้เอาว่ารู้จากขนของบุญของบาปถ้าบาปคือความทุกข์ความชั่วเกิดขึ้นก็ลำบากเกิดร้อน ตัวเองก่อนเหยีบตัวเองก่อนเช่นความโกรธทำลายตัวเราก่อนยจะไปทำลายคนอื่นควมทุกก็ทำลายตัวเราก่อนจะไปทำลายคนอื่นเราบางเห็นเนี่ยมีสติมันเห็นเนี่ยมันเป็นชัยภูมิที่มองเห็นทุกเรื่องถ้ามีสติแนะ้สมองละภูมิว่ า, ว า, าเห็นที่มันเกิดกับร่ายกับใจนี้ ให้เห็นให้เห็นให้เห็นเห็นแจ้งไม่เห็นต่างต่เห็นทางสติทั้งปัญญาทางยานยังรู้ยานเกิดขึ้นแล้วจะเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจะเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะเราวิชาเกิดขึ้นแล้วจะเราดังพระพุทธเจ้าท่านองค์ได้เทศนาได้สอนพวกเรา เกิดขึ้นได้ทุกคนยานยังรู้ยานขนส่งให้หลุดออกไปรู้แล้วออกไปยกออกไปขนส่งออกไปขนส่งชีวิตของตัวเองส่งขนออกจากความหลงไปสู่ควาไม่หลงขหลกจากควทุกข์ไปสู่ความไม่ทุกข์ ขนลุกจากปัญหาไปสู่ปัญญานี่มันต้องมีชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่มืดตื้อเสมอไปมันมีแสงสว่างอยู่นี่จะลิบลีก็ไปทางนั่นะหละไปทานั่นบ่อยๆก็มันก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นได้เดี๋ยวก็ไม่รู้สร้างยังไงง่ายที่หลงล่ะ ต่อไปทำไปง่ายที่จดรู้ความหลงนี่ยากความรู้นี่ง่ายทํามดีได้ง่ายตทำช่วยากที่สุดแต่คนที่ไม่ฝึกทำช่วงง่ายที่สุดทำดีได้ยากที่สุดฝึกยากที่สุดไม่ใช่อย่าไปนึกว่าตัวมันยากกันมันอยู่ที่การฝึกหัด อย่าความยากความง่ายเป็นตัวเป็นตนทำอะไรก็ตามทำงานทําการก็ตามอย่าความยากภัยขี้เกียจอห้วความง่ายเพื่อให้พาทำถ้าทําได้ก็จะทําถ้าทําได้ก็หยุดทำอะไรก็ไม่สําเร็จถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะทําการทํางาน เราให้ความยากความง่ายเป็นผู้บงการให้มีการกระทําเกิดขึ้นถ้างานชอบเราก็ทําลงไปเห็นพลาดกันง่ายเป็นส่วนหนึ่งผู้ปฏิบัติทรรมต้องมีเครื่องมือร้อยลอย่ยาไมีศรัทธาเชื่อทาดีต้องดนดีด ตาชั่วก็ได้ชั่วมีความเพียนละความชั่วทำความดีมีสติเป็นดวงตาที่จะเห็นอยู่ทุกโอกาสสิ่งใดที่เกิดความชั่วจะได้เห็นสิ่งที่เกิดตีขึ้นก็จะได้เห็นและมีปัญญาทำตามความดีมีปัญญาละความชั่วทําได้ทุกเรื่องทุกราว ก็สำเร็จตายแลหลายอย่างให้มีศรัทธาเป็นทุนให้มากถ้าไม่มีศรัทธาเป็นทุนก็ไม่ค่อยงอกงามความเพียรก็ไม่งอกงามก็พอะะแต่แปไปขิ้นนั่นหละเหนือนต้นก้าที่มีความสมบูรณ์าจจะขึ้นได้ไวกว่าต้นที่ไม่สมบูรณ์ บางทีศรัทธานี่ก็เกิดจากความทุกข์ก็มีนะความทุกข์ทำให้เกิดศรัทธาก็มียินพยะศาจ่าคุณระบุตงลองทุกข์่นทุกหนมุนวอยเหลือเกินมุนวอยเหลือเกินลองเดินออกจากปรญหาฉีไปซาลาหนาด อีสีปตตันพอดีพระพุธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นเดินจงกรมตอนใกล้ลุ่งได้ยินเสียงทุกนูทุกหนอวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินพระเจ้าเลยว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่ไม่ทุกมาที่นี่มาที่นี่ขานต่อไป น, นันได้โอกาสพอดีก็ได้เป็นพระอระหันต์พร้อมทั้งพ่อทั้งแม่ปิรุ บ, า, บ า, าุกบาจิกากนลิกคือพ่อแม่ของยักทุกทุกแห่พาให้เป็นพระอรหันต์ได้ แม้แต่เราปฏิบัติที่มันเห็นเกิดกับเรานี่ไม่ได้ล่องแต่ว่ามันเห็นเห็นความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เห็นความเที่ยงไม่เป็นทุกข์เห็นความเป็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นความเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์นี่ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นปัญญาแบบนี้เอาเนื้อมันหน่อยบั่น เอาเนื้อมันสอนมันแตนค่ความเคยความไม่เที่ยงพายเป็นทุกข์มันนี่ความไม่เที่ยงพายเป็นนิพพานปานตั้งนะแต่ก่อนความเป็นทุกข์พายเป็นทุกข์มันนี้ความเป็นทุกข์ปานเป็นนิพพานพาถึงนิพพานได้จากนี้นะมีโลน อ, อยู่ที่ไหนมีเย็์อยู่ที่นั่นมีหนักอยู่ที่ไหนมีเบาอยู่ที่นัน่น มีมือดอยู่ที่ไหนมีสว่างอยู่ที่นั่นที่มันเกิดกกิบกาเกับใจเรานี่อย่าจำนวนมันมองเข้มแข็งชั่นหน่อยแต่ไม่เข้มแข็งมันก็ไม่ทะลุทะลวงเลียวเรามันจนตรงไหนมันยากตรงไหนเข้มแข็งตรง น, นั้นอ่อนเอตรงไหนเข้มแข็งตรง น, นั้นมันมองเห็นจุดอ่อนของตัวเองอยู่เราปฏิบัติทำหนึง่ง ส่วควา ม, ม, มงหงานอนจะเดตั้หาหลาค้าอให้ อ, อ, อ่อนแออ่อนแอกามเกามัุ ข, ขันทีกาที่โยโคนี่อ่อนแอมันอ่อนแอมันก็ไม่เข้มแสงเสริ ม, มสร้างมาให้ความเข้มแสงขึ้นมาวิธีก็มีอยู่แล้วมีสติ ถอนความพอใจความไม่พอใจออกมาสติเสริมเข้ไ ป, ไ, ออเเขไป้นอเสริมก็เสิมไเข้มแขงขึ้นมาจึงฝึกตนสอนตอนไม่มีใครเห็นตัวเราทั้งตัวเราเราเนี่ยเห็นตัวเรามั่นใจมั่นใจ มันจะจริงๆการทําความดีกันแล้วผมชั่วเนี่ร้อยพันเปอร์เซ็ละบอกมันเห็นอยู่นั่งสร้างจักรวาอยู่นี่เดินอยู่นี่นอนอยู่นี่ยืนอยู่นี่มันมาได้ะรูปแบบรู้ทันมันอยู่นี่มันมีอยู่เนี่ยเห็นกับตาอยู่นี่สัมผัสอยู่นี่ทําไมจะปล่อยทิ้งปล่อยตัวเองทิ้ง มันไม่ได้เด็ดขาดเ่ร์ตัวเองทุกทำไม่ปล่อยตัวองหลงทำไม่ปล่ย ม, มุ้ง ม, มุ่นคุณคิดเรื่องไดแต่ก่อนนี่ความคิดก็เป็นทุกข์โอ้สเดืดนะเดีวสเดือดได้ไกลก็โดดได้ไกลนะพออจริงๆมันเห็นเนี่ยแต่ทุกแค่นี้เช่นผมบางภูเขา หลาตัวคิดจะเๆก็เป็นทุกข์เป็นโศกก็จะเดตหาได้เนะี่ยแค่นี้เองมีกำลังขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีกำลังตัว น, นี้นะอ่อนไปหมดเลยเพราะมันมีอยู่มันทำหน้าอยู่เองจึงมีความมั่นใจให้มันหลงเถอะจะได้รู้มันอย่าไปปฏิเสธ สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นดีกับที่จส่ท่านหกงานเขาหลงแล้วให้มันมาให้มันมามันจะมาแบบไหนบางทีก็แจ่งเท่าหัวเชี่ยนทําไมมันไม่เป็นอะไรทําไมไม่ไปที่รุ่นมาคิดไปดูสิมาคิดไปดูสิมันจะเป็นยังงเยอะย่อยมัลองดูบางทีก็ซ่อมมัน z o ม m ช่ามาชมิชิมนานตัวนี้น่ารักนะปล่อยดูสงเอาดูสิตัวนี่้น่าเกลียดหน่าชังนะเอาดูสิมันไม่เอาหรอมัน ข, ข่มขืนตัวเองจะปล่อยแต่งน้ารักน่าชังพอใจไม่พอใจมันค่มขืนตัวเอง บางครั้งมันตัวนี้มัไม่เอากมขืนเผลงเป็นบาปมากเป็นบาปถ้ากลมขืนตองมาขนหัวลูกนะเขาพูดอย่างนี้นะขนหัวลูกนะถ้ากลมขืนตัวเองนี่ยขหัวลูกนะขนหัวลูกเก่งๆหนะึ่งจะไปปล่อยให้มันไปอย่างนั้นมันไม่เพราะะนั้นนี่ ก็ให้ฝึกตนสอนตนหนึ่งมันมีพุทธในชคิตของเรานี่นะมีพุทธแทๆ้ๆมนุษย์ทุกคนเป็นพุทธได้สร้างสังคมมาเกิดความสมคีได้เกิดเป็นสงในครอบครัวเก็เป็นสงในชมุมชนขึ้นมาความพื่อเพียงความสมคีกันคิดเหมือนๆกันนี้ไปทะเลาะคอบร่างกันทําไมย ไปทำไมเขยเดือดร้อนทำไมามาช่วยกันมาช่วยกันบอกกล่อมที่กล่อมจริงมีสติเป็นในการในใจนี่มันมีกายทุกคนมีวมีใจทุกคนมีสติเป็นเจ้าของกายค่ของจายอย่าให้อื่นมาของกายของจายพยายามมีสติมีนาดตัวเดืกายเดือดใให้มันดี อ่าวสองขวัญเฉยเวลาแล้ว